เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประวิทยานกำลังนำเสนอช่วงที่ภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะซึ่งในตอนนั้นยังเป็นปริพาชกอยู่นะฮะยังครองเครื่องแบบของปริพาชกอยู่แต่ว่าก็เป็นพระยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้กลับไปอาสม ของสนชัยปริภาชกเพื่อต้องการจะชวนท่านสนชัยไปด้วยแล้วก็บริวานของท่านซึ่งในอัตกถาบอกว่าห้าร้อยนะครับในพระบาลีบอกว่าสองรอยห้าสิบก็น่าจะทรงรำลักของพระบาลีแต่ว่าสันใจเองไม่ยอม แนาจา้จะอธิบายชี้แจงโดยเหตุผลต่างๆมากมายก็ตามยังกลับขอร้องไม่ให้ทั้งสองจากสับนักไปได้ช่วยกันบริหารหมู่คณะในตกรถาบอกวา่าทั้งสองก็พูดในทํานองค่ว่าอาจารย์เวลานีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วนะคนตั้งหลายก็จะไปพลาพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้ยังไง ท่านสันชัยก็ถามว่าคนในโลกนี้มากคนในโลกเนี้ยคนโง่มากหรือว่าคนฉลาดมากท่านชัยก็บอกว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยสารีบุตรบอกว่านะฮะสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านสันชัยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนก็โง่ก็จะมหาฉันซึ่งเป็นคนโง่คนฉลาดฉลาดก็จะไปหาปัสมนณะโกดมผู้ฉลาดเพราะงั้นฉันอยู่กับฉันได้ ความคิดข้อนี้เป็นความคิดที่น่ากลัวนะฮะคือว่ามันการโอกาสคือถ้าเรามองถึงสิ่งที่มนุษย์ได้โดยยากเนี่ยทัดสัจเยท่านได้ครบหมดทั้งสี่ประการแต่กลับไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดมาเป็นมนุษย์คือกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากท่านก็ได้ความเป็นมนุษย์มาแล้ว กิจชังมัญจาณชีปิตังการครองชีวิตต่อเนื่องกันมานั้นเป็นของยากท่านก็ได้แล้วกิจชังสัทธรมัสวรนังท่านไม่ยอกฟังหมายความมาโอกาสนะ่ะอันมวยให้จะไปฟังก็ได้เพราะว่าลูกศิษย์ก็ปไปกันอาจารย์จะไปด้วยก็ได้แต่ความรู้สึกเรียกอหังการมามังการคือเราเป็นอย่างนั้นของเราเป็นอย่างนั้นมันไปยึดถือทางในด้าน ทิฏฐิกับมานะคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนที่มีความสำคัญแล้วก็ถือตัวว่าตัวเองเป็นขนาดอาจาเจ้ารัชิตยอมเป็นลูกศิษย์คนอื่นมันก็เสียเชิงอาจารย์ใหญ่เหมือนกับถึงความไหวของน้ำในตุ่มหรือเหมือนกับจระเข้ถูกยับไปใส่ตุ่มเอาไว้ในสุดท่านก็ไม่ยอมมาในอัตตกถฐานะฮะบอกว่า พวกบริวารห้าร้อยเนี่ยจึงเป็นของพระโมคคัลลานะห้าร้อยของสาริบุตรห้าร้อยเนี่ยที่ได้ออกปวดเป็นบริพาชกด้วยกันก็สมัครใจที่จะติดตามสองสหายไปด้วยกันแต่ว่าลูกศิษย์ออกไปจากอาศรมทีเดียวตั้งห้าร้อยเนี่ยมันเควง้งไม่ใช่เล่นนะมันเหงามันว้าเหวโดดเดี่ยวเดียวดายทาให้สันชัยเสียใจมากจนกระอาบเป็นโลหิต การในท่านเสียใจจนรางเป็นโลหิตมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมภายในใจของท่านมีไม่มากพอที่จะบรรเทาความโศกเพราะปิยวิปโยคคือการพระพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งเป็นทิรักไปได้ก็เป็นเหตุให้ลูกศิษย์สอง้อยห้าสิ250คนในเกิดสงสารอาจารย์โดยขออยู่กับสันชยัยกลับไปอยู่กับสันชยัย ริบบุตรกโมคลาณะก็มากับบริวารสองรอยห้าสิบมาเข้าพระพุทธเจ้าที่ประเวณลุวันในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท้ำกลางป้ารหันผันรูปคือพวกปูราณชดินนั่นเองเหมือนท่านทั้งสองมาก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสหายสองคนนั้น คือโกริตะและอุปติสะกำลังมานั้นจะเป็นคู่สาวกของเราจะเป็นคู่อันเจริญชั้นเยี่ยมของเราในขอน้อนี้ท่านได้กล่าวประพันธ์เป็นคาถาว่าก็สหายสองคนนั้นพ้นพิเศษแล้วในธรรมอันเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมมียานวิสัยอันลึกซึ้ง ยังมาไม่ทันถึงพระเวรุวันวิหารพระศาสดาทรงบัญญัติดังนี้ว่าสายสองคนนี้คือโกริตะและอุปติสะกังมานั่นจกเป็นคู่สาวกของเราจะเป็นคู่อันเจริญชั้นเยี่ยมของเราก็มีบางประเด็นที่ควรทำความเข้าใจประเด็นแรกก็คือสิ้นอุปธิคำว่าอุปธินั้นเป็นชื่อของกิเลสบ้างเป็นชื่อของกรรมบ้างเป็นชื่อของสังขารสังขานบ้าง เป็นชื่อของบุญบาปบ้างตือกรรมมูปทินั้นก็หมายถึงตัวผลซึ่งเกิดมาจากกิเลสแต่ว่าเกิดมาจากกุศลด้วยก็ได้นะฮะในกรณีเป็นกรรมเพราะว่ากรรมมัก็มีทั้งกุศลและอกุศลอีกหนึ่งเป็นสังขารคือสังขารที่ประกอบด้วยรูปนามทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ถือว่าเป็นอุปธิอีกประการหนึ่ง แล้วก็กิเลสูปัิอุปัิคือกิเลสประเภทต่างๆมีชื่อเรียกมากมายหลากองนะฮะก็เรียกว่าอุปัิแล้วก็ขันธูปฏิอุปัิคือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสาังขารวิญญาณเพราะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคําว่าอุปัินั้นอาจจะหมายถึงธรรมะกลุ่มสมุทัยก็ได้กลุ่มของรูปก็ได้แต่จะไม่หมายถึงนิโรธจะไม่หมายถึงมรรคนะ เพราะว่าอยู่ในกลุ่มของทุกขสัตริย์อันยอดเยี่ยมก็คือว่าตอนนั้นที่จรงยังเป็นประโสดาบันนะฮะในธรรมอันเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมก็ยังเป็นประโสดาบันอยู่วิญญาณวิสัยอันลึกซึ้งญาณวิสัยที่ฟังธรรมะแข่งสองบรรทัดทันเด่งอัศจรรย์นะนะฟังธรรมะสองบรรทัดบรรลุมรรคผล ราอ่านเราฟังกันแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าท่านฟังแค่สองบรรทัดต่นนั้นเองทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระสาทขาพเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาะสมณะมีปกติตัตอย่างนี้โดยข้อความสั้นๆท่านั้นทําให้ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไดเพรา น, นถือว่ามียาลวิสัยยันลึกซึ้งทีนี้การบอกกล่าวอย่างเนี้มันเป็นเรื่องของ อติตังสยานกยานในส่วนอดีตของพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นท่านเคยตั้งความปรารถนาทําสการะบูชาพระพุทธเจ้ากันด้วยวิธีการต่างๆในภพชาติหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นอักสาวกของพระพุทธเจ้าโดยสารีบุตรนั้นตั้งความปรารถนาที่จะเป็นสาวกขวายกวาก็มีปัญญาโมคคัลลานะก็ตั้ง ความปรารถนาที่จะเป็นสาวกขวายซ้ายซึ่งรุ่งเรืองดุริดเพราะมันก็เป็นไปตามวาสนาบารมีที่ท่านสะสมมบรมกันมาพระพุทธเจ้าจึงส่งแสดงคือตำแหน่งในหมายความมาเป็นอักษาวกเนี่ยมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออกบวชเยซ้ำไปมันก็ทำให้เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะฮะว่า หลักการก็ศาสาศนาพุทธจริงๆนั้นไม่ได้เน้นที่อาวุโสคือเน้นที่อายุมากเราแต่ว่าเน้นที่ภิกษุผู้ฉลาดสามารถทรงธรรมทรงวินัยแตกฉานในโอเปโตวิพังร้วัตธิก ร, รเหตุเกิดอัธิกรความดับอัติกรข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับอธิกรไม่ลำเอียงด้วยอากาติมีปรรษาได้ห้าเป็นต้นขึ้นไปเนี่ยคือคือจะเน้นที่คุณธรรมเป็นระบบคุณธรรมล้วน แต่ว่าที่เน้นที่พันศานั้นคือการให้ความเคารพ ก, กันแล้วกับการพูดจา ก, กันโดยความเคารพตามลําดับพรรษาเช่นว่าผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าพันเตะแปล ว, ว่าท่านผู้เจริญผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยก็เรียกว่าอาวุโส ท, ที่แปลว่าคุณหรือเธออะไรแต่ไรเนี่ยนะแต่ที่ในการต่อมาเรากตีความกันยังไงก็ไม่รู้เวลานี้ก็เลยเอาคนแก่กันมาทํางานไปใช้คนแก่ ตอนเด็กๆตอนกำลังหนุ่มๆอายุสี่สิบต้นๆเนี่ยนะจะทำงานได้มากๆในไม่ให้ทำอะ่พะพอให้ทำจนจะแปดสิบแล้วจะตายไม่ตายแล้วแล้วก็ไปทางานกันเป็นเรื่องที่ต้านเสียดายทรัพยากรบุคคลนะคือหมายความว่าไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในวัยที่มีกำลังไฟกำลังแรงเนี่ยไม่ได้ทำงานแต่ว่าไปทำงานเมื่อไฟมันมอดแล้ว เรียบแรงกำลังสติปัญญาความคิดความอ่านก็ไม่แหลมคมไม่ทึกซึ้งแล้วทุกคนก็รู้กันนะฮะเหมือนทางราชการข้างนอกจะเขาจึงกเกษียณที่หกสิบแต่ถ้าเราบางทีหกสิบยังไม่ไปถึงไหนนะฮะยังไม่ได้มีงานมีการด้เป็นชิ้นเป็นอนันไม่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรที่กาณสนมอบหมายเลยก็อยู่กันไปแกนแกนเป็นการตีความที่ คลาดเคลื่อนจากหลักที่มันเป็นจริงเพราะถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญแก่อายุพรรษาแล้วเนี่ยปัญญาโกณทัญญาเนี่ยต้องเป็นอักสาวกเพราะว่าเป็นภาษาวกรูปแรกหมายความมากลุ่มปัญญวิคีเนี่ยต้องเป็นอักสาวกาลองสังเกตดูว่าถ้าเรานับเรียงลําดับมาคร่าวๆนะฮะคือฝ่ายที่บวชกับภาษาวกเราไม่รู้ว่าใครบ้างแต่ว่าที่เห็นตัวเลขอยู่เนี่ย คือปัญญวัคคีห้าปริยสากับเสาหายชุดแรกห้าชุดที่สองห้าสิบเป็นห้าสิบห้ารวมแล้วเป็นหกสิบกับพัตตวัคคีสามสิบ 30, เป็นเก้าสิบุราณชดินอีกหนึ่งพันเป็นพันเก้าสิบเพราะนภาษาดิบุตรก็อยู่ที่พันเก้าสิบเอ็ดพระโมกขลานะก็อยู่ที่1ันเก้าสบสองลำดับของพันที่เก้าสิบสองซึ่งอาจจะมากกว่านั้นนะคงมากกว่านั้นแหละ เพียงแต่ว่ายอดควายที่สาวกไปบวชมาเนี่เราไม่รู้เนทะ่านั้นเองว่ามีใครบ้างแล้วในช่วงนั้นยังนึกว่าอย่างพระนารากะเนี่ยเขาน่าจะบวชแล้วนะพระหมาก็จะปะเขาหน้าจะบวชแล้วหรืออาจจะยังไม่บวชพระหมาก็จะปะอาจจะยังไม่บวชพระปุณณมันตา น, นีบวชนี่น่าจะบวชแล้วเพราะว่าบวชกับพระอัญญโกนทัญญะซึ่งไปเยี่ยมที่กรุงราชครื้นเป็นลูกของน้องสาวของพระอัญญโกนทัญญะ เพียงแต่ว่าตัวเลขตรงนี้ท่านไม่บอกไว้เท่านั้นเมื่อท่านทั้งสองมาถึงก็ท่านบอกว่าครั้งนั้นสารีบุตรโมคคัลลานะได้พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วได้ซบเสียรลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคสัตว์ว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้จัดต่อไปว่าทามาเราเกล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นก็ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งหมดนะนะฮะท่านมีอายุทั้งสองก่อนทั้งสองก่อนก็สมัยนั้นแลคุณระบุชาวมาคตที่มีชื่อเสียง อ่างพากาันรประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้ากันเป็นจำนวนมากก็หมายความมารวมถึงพวกบริวานของภาษาอิบุตร2อห้าแสดงว่าในกรุงราชเครือจริงๆเนี่ยมันก็บวชแค่250ห้าสแล้วก็ปุราณชาดินนั้นเป็นที่รู้จักกันในกรุงราชเครือ แต่ท่านไม่ได้อยู่ในกรุงราชครึกนะอยู่ที่พุทธกัยอยู่อยู่ที่ขย่าศีรษะอยู่ที่เสนานิคมนะฮะในตอนนี้พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงความเป็นอมจารย์ภาษารีบุตรได้เล่าถึงความเป็นมาของท่านเกี่ยวกับสัญชยัยอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าได้รับสั่งว่าคนที่มีความด âm ริผิดเป็นโครจรคือหมายความมาจิตใจดําเนินไปด้วยความคิดที่ผิดเี่ย ย่อมมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วเขาก็จะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระตรงนี้ก็หมายถึงสันชัยปริภาทโชกซึ่งเราจะเห็นว่าสัญชัยที่จริงยอมรับความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านะฮะยอมรับธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมวินัยของผู้ฉลาดท่านยอมรับหมดฮะแต่ว่าใจท่านไม่ไป ท่านไม่ยอมที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าตัวกลัวตัวเองจะเล็กไปแ้่ทางตัวเองจะใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ก็มันก็วาสนาบา ร, รมีนะฮะคือถ้าท่านมีวาสนาบา ร, รมีมาท่านคงจะไปและวาสนาบา ร, รมีท่านคงไม่มีมากพอแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนั้น ความเห็นของท่านเนี่ยน่าจะโน้มเอียงมาทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคนระดับอรหันต์และสมณะสัมพุทธเจ้านะฮะตนเองก็เป็นกณอาจารย์้าวรัตชิตที่กุกิ๊ก็คิดอะไรขึ้นมาเองก็ไม่เคยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะแต่ก็เป็นหลงยึดติดปักใจเอากลายเป็นคนมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ แล้มองสิ่งที่เป็นสาระคือการเป็นพระพุทธเจ้าการออกบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามันเป็นสาระแต่ท่านกลับมองเห็นว่าไม่เป็นสาระคนอย่างนี้ยังไงยังไงก็ไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระเราเหมือนกับสันชัยเพราะตลอดทีวิีก็ท่านสันชัยก็ไม่ได้รับเรื่องราวอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นกิจลักษณะเป็นคนที่น่าจะไดยแล้วก็น่าสงสารนะฮะ ลูกศิษย์สองคนเป็นถังอักขสาวกรองลงมาจากพระพุทธเจ้านะะใหญ่ยยกว่าตัวเองตั้งไหนๆนะเหนือกว่าตัวเองคนก็รบน้าถือมากกว่าสันชัยไม่รู้สักเท่าไหร่แต่ท่านเองก็ไม่รู้สึกแล้วก็บทบาทของท่านในตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะหรือไม่ค่อยเจอเจอตอนที่ แสดงย ม, มกปาฏิหาริวพระพุทธเจ้าทรงแสดงย ม, มกปาฏิหารทิทีหนึ่งก็เป็นหนึ่งในครูทั้งหกที่ท้าทายพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริแข่งกันเท่านั้นเองแต่ท่านเองก็ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรในคราวนั้นชื่อเสียงท่านเป็นที่รู้จักก็เพราะว่าเป็นครูทั้งหกและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นอาจารย์ของภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะ ทีนี้มาเรามามองที่ภาษาดิบุตรกับประโมคคลานะมันคือมีความดำริชอบเป็นโคจรคือทางดำเนินของจิตลักษณะเด่นที่ควรสังเกตคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิของคณอาจารย์ที่ตนเข้าไปศึกษาไปเป็นนักพวดอยู่หมายความว่าถ้าดีนะฮะตนก็จะอยู่ต่อถ้าไม่ดีมันก็ต้องหาให้เจอดีจนได้และ ไม่ใช่ว่าไปสยบติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งลักษณะเด่นเหมือนกับพระพุทธเจ้านะฮะเราจะลองสังเกตว่พระพุทธเจ้าอยู่ในสำนักอลาดาบุตกาลามโคตรอุตกร า, าบุตรามาบุตรเนี่ยความสามารถเนี่ยอยู่ระดับเหนือกว่าอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองอยากให้พระพุทธเจ้าอยู่เป็นอาจารย์สอนศิษย์ด้วยกันแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ยินยอมที่จะอยู่ด้วยนั้นแสดงถึงว่า มันต้องเข้าถึงสาระแก่นสารจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่เอายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆกับพระพุทธเจ้าเนี่ยลองผิดลองถูกแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆจนเข้าถึงสาระ ท, ที่แท้จริงก็คือการจัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงหยุดการแสวงหาหยุดความพยายามบนสารีบุตรกระโมกลานะมันก็มีลักษณะอย่างนั้น คือไม่ยอมอยู่ในสำนักของสัญชัยปริภาชกนสัญชัยจะอ้อนวอนขอร้องยังไงก็ตามเพราะไม่ใช่เนื้อหาสาระที่ท่านมุ่งเน้นออกมาบวชสาระทรย์สมบัติตั้งหก0้อยห้าสิบโกดออกมาอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเนี่ยท่านไม่ทำหรอกเพราะก็ทำให้เห็นว่าสองคนเนี้ยเขาเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ ทำไมก็ประสบสิ่งที่เป็นสาระทีนี้ในสองท่านเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือว่าลูกศิษย์สองร้อยห้าสิบ ต, ตอนมาคราพระพุทธเจ้าเป็นบุตรชนมานะฮะแต่สองท่านเป็นประสบอาบันมาแต่พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงประธรรมเทศนาอารามที่ทรงแสดงโดยวิจิตพิสดารแล้วก็ลึกซึ้ง สร้างความประทับใจดื่มดำคิดใต้ร้อยในพันในโดยนัยยะต่างๆทำให้สารีบุตรกับโมคขลานะนั้นคงเป็นประโสมดาบันอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ลูกศิษย์สองร้อยห้าสิบได้บรรลุมรรคผลเป็นพระหันต่อมาอีกเจ็ดวันเนี่ยโมคขลานะไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่กะลาวามุตรคขามเป็นหมู่บ้าน ในกลุ่มราชครึ่นั่นเองเป็นหมู่บ้านกนรละวานุตอมุตคามไปนั่งส ป, ปังกอยู่ผู้เจ้าก็เสด็จไปชี้แนะวิธีแก้ง่วงให้ดูแล้วก็มีการสนทนาธรรมะา ก, กันท่านก็ได้แบำเพ็ญเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคล บรลุมาผลเป็นพระหันหลังหลังจากบวชแล้วได้เจ็ดวันนะฮะบรรลุก่อนพระสารีบุรตรพระตรถาาจารย์ท่านอธิบายว่าท่านทั้งสองนั้นเหมือนกับพระราชาที่จะเตรียมเสด็จส่วนบริวาร น, นั้นไม่คนธรรมดานะฮะไม่ได้เตรียมการอะไรแต่ไรมากจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เตรียมไม่มีพิธีรีตองมากแต่สองท่านเหมือนกับ ร, ราชาจะเตรียมเสด็จกว่าจะเสด็จไปไหนได้ก็เป็นเรื่องใหญ่ เป็นปนัญหาภูเขาทีเดียวกว่าจะเตรียมจะเตรียมกันเสร็จภาษาริบุตรนั้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่สุกราขาตาของขิจกูดทางขึ้นของขิจกูดเ ป, เ, ปเป็นเงื้อเป็นเป็นเงื่อมหินนะฮะมันไม่ถึงก็เป็นถ้ำหรอกแต่ว่าก็สามารถบงังบังแดดได้ระดับหนึ่ง พระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่แล้วพอดีมีปริภาชก ค, คนหนึ่งชื่อทีฆะนักขะปริภาชกมีฐานะเป็นหลานของพระสารีบุตรแต่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งคําถามในลักษณะคล้ายๆกระทบกระเทีบพระพุทธเจ้าคือไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าเอาลุงของแกมาบวชนะฮะมีฐานะเป็นลุงมีหลานเป็นปริพาชคเนี่แสดงว่าภาษารีบุตรอายุไม่น้อยอ่ะอย่างน้อยก็เป็นหลานอาจจะเป็นหลานของลูกพี่ลูกน้องอะไระอะไรกันก็ได้แต่ว่าก็มีหลานเป็นปริพาชกเนี่แสดงว่าอายุต้องพอสมควร ท่านถามพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดพระเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยทำให้แกง ง, งนะฮะเราเห็นว่าเป็นการพูดอย่างนั้นโดยมุ่งแต่จะกระทบโดยไม่ได้นึกถึงความจริง เราพูดใช้คําว่าทั้งปวงทั้งหมดเดี๋ยมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยทั้งปวงทั้งหมดทั้งหลายนี่นะทั้งปวงทั้งหมดทั้งหลายทาั้งท้นเนี่ยทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เข้าไปเจ้าเข้าไปเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดมาเริ่มที่ทั้งปวงทั้งหมดก็แสดงมาหมดไม่มีเหลืออะไรอยู่ดัง น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นของท้องเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอ เธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยแล้วก็ทรงแสดงถึงความเห็นบางพวกเนี่ยว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดอันนี้ก็มากไปบางคนบอกว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจอันนี้ก็ทําให้เกิดรักชังในบางสิ่งชังในบางสิ่งปฏิเสธหมดบางก็จิงชังในบางสิ่งก็เรียกว่า เอาดีไม่ได้ทั้งนั้น เ, เรื่องการบรรลุของสองท่านนี้อาจจะกล่าวในโอกาสต่อไปเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าศึกษาอีกประเด็นหนึ่งต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูญในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี